มันเหมือนจะรู้กายได้แต่ว่าเหมือนจิตมันไม่ค่อยถึงฐานออวมาไม่ต้องไปดึงนะไม่ถึงก็รู้ว่าไม่ถึงอยากให้ถึงตัวโลพารู้ว่าอยากดูซิภาวนาให้หลวงพ่อดู หลงแล้วใจมันฟุงส่านดูออกไหมตื่นเต้นด้วยค่ ะ, ะจิตฟุงส่านรู้ว่าฟุงส่านดูไปตรงๆไปท่ำไปอย่าแต่งจิตไปแต่งให้จิตซึมๆไม่ดีจิตเป็นธรรมดา รู้ไปธรรมดาธรรมดาไม่เข้าไปแทรกแซงเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปเมื่อวานฟังที่หลวงพ่ อ, เ, อ, อเทศเกี่ยวกับการดูการหายใจอะคะ่ะก็เลยลองเอาไปปฏิบัติดูก็ ไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าลองทำสิอย่าแต่งจิตให้ซึมอย่าทำาลุมใช้จิตปกติอันนี้เราส่งจิตไปดูดูออกไหมดูจิตได้ก็ดูจิตไปอันนี้จิตสองออกไปดูรู้่วโอกไปดูรู้จิตได้แล้วก็รู้จิตเอาถ้ารู้จิตไม่ได้ค่อยดูกาย การที่หลวงพ่อบอกให้ช่วยคิดในแง่ว่าเป็นมรณาสติหรือว่าเป็นการ น, นเป็นสมถะเป็นสมถะการช่วยคิดซึ่งถ้าดูได้ดูตรงตรงดีกว่าใช่ไหมคะดูตรงตรงก็เป็นวิปัสสนาได้ถ้าดูตรงๆไม่ได้ก็ทำสมถะอาจารย์ตามหลักใหญ่ตรงนี้บงังคับจิตละนะ จิตจะแน่นๆปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติมีสติรู้ไปดีก็ได้ไม่ดีก็ได้รู้อย่างที่เขาเป็นหลงแล้วนะรู้สึกเปล่าแค่รู้ว่าหลงไม่ต้องทำอะไรตรงนี้ยากนะส่วนมากพอเรารู้ว่าผิดเราอยากทำให้ถูกตรงที่อยากทำให้ถูกแล้ว ก, กลายเป็นผิดอีกแล้ว รา ก, การจ้ค่ะภาวนาพูดน้อยๆดูเยอะๆรู้สึกไปค่ะพูดเยอะๆรู้สึกน้อยๆก็ฟุ้งซ่านตอนแรกดูตัวโมโหได้ค่ะแต่ช่วงหลังนี้จะรู้สึกว่าไปดูที่มันหลงอะค่ะเออดูหลงก็รู้ไปแล้วก็เมื่อวานมันมีความสุขกับการได้กวาดขยะอืมค่ะไปกวาดอีก กวาดบ้านเราเสร็จแล้วก็ไปกวาดบ้านคนอื่นหน้าบ้านเขากวาดไปอยากกวาดก็กวาดไปเรื่อยๆดีนะแค่เห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูหลวงพ่อตอนยังไม่เจอหลวงปู่ดูละไม่รู้หลักของการปฏิบัติเป็นนักศึกษาอยู่ไปบวบชวัดชวนประธานาไปอยู่กุฏิน้าวัด พระอื่นๆนะพระเด็กๆเลยกเอยู่ข้างหลังรวมกันเป็นกลุ่มเลยเราถูกหลวงพ่อปัญญาให้อยู่ข้างๆที่เก็บศพท่านเห็นว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเองกุฏิใกล้ๆกันมีพระผู้เท่ารูปหนึ่งท่านเคยไม่สบายไปตัดปอดทิ้งเหลือปอดข้างเดียว หลวงพ่อตะนนั้นาาได้แต่สมถะแล้วก็สังเกตนะท่านตื่นเช้ามาไปบินทบาตกลับมาชานเสร็จนะถ้าถือไม้กวาดสองอันกวาดกวาดกวาดวัดไปเรื่อยๆกวาดจากหน้าวัดไปท้ายวัดจากท้ายวัดมาหน้าวัดกวาดกลับไปกลับมาทั้งวันเลยเราเห็นแล้วเราสงสารท่านบอกหลวงพ่อ ไปภาวนาด้วยกันหลังวัดดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมมาช่วยกวาดไม่ต้องห่วงหรอกเฮมาช่วยกวาดสงสารท่านท่านไม่ภาวนาท่านความเมตตาท่านสูงนะท่านยิ้มหวานท่านไม่ว่าอะไรหรานะจะาบอกคุณบวชไม่กี่วันคุณไปภาวนาเถอะเดี๋ยวหลวงพ่อกวาดเองนะ มานึกย้อนหลังไปถึงท่านนะโอ้ยเราแทบเคอะกับบานตัวเองเลยเรามันงูท่านภาวนาท่านอยู่ทั้งวันนะเราชี้ว่าการภาวนาการปฏิบัติคือเท่านนั่งเดินจงกลมที่จริงท่านขวานวัดด้วยความมีสติท่านปฏิบัติได้ทั้งวันเนะเก่งนรมาสการหลวงพ่อคะเดี๋ยวควนนี้ระวังเรื่องนี้นะเรา ฟุ้งซ่านเก่งนะจุดอ่อนเลยลนะ่ะฟุ้งซ่านพร ง, งันพยายามรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไปเรื่อยๆเงินใจมันจะฟุ้งฟังยูทูบหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าคะ่ะแล้วก็ลองฝึกเองคะ่ะแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าที่ทําอยู่จะถูกหรือเปล่าคะ่ะเห็นก <ๆ S 1> ิเลสไหมล่ะก็ เห็นคเห็นสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆค่ะเออดูเวทนาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเวทเข้าไปแทรกแซงมันนะน้ะนำสาการค่ะคือปฏิบัติแล้วก็เห็นเห็นใจเห็นกายอะค่ะแต่ว่าเหมือนเวลานั่งสมาธิหรือฟังนานๆแล้วจะ จะเข้าโหมดหลับก็ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วห้าค่ะเออนั่นแหละโหมดหลับแล้วปกติพออายุเยอะขึ้นเนยจะมาดูจิตรวดเลยนะไม่ไหวแล้วมันจะหลับนะต้องเอากายมาช่วยเคลื่อนไหวไหว้แล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปจะทาให้จิตมีพลังมากขึ้น ดูกายได้ดูจิตได้นั่งเฉยๆเดี๋ยวไม่จะเคลิมโดยไวนะ้ไเปนอ่นั้นทุกคนนะขยับมือไปอย่างนี้ได้ใช่ขยับมากๆก็เคลิมอีก <c oughs> นะก็ต้องใช้เดินกระดูกระดิะไปกวาดบ้านไปอะไร้หาอะไรทำไปแล้วที่ปฏิบัติมานี่ก็พอจะอยู่นะไปเคลื่อนไหวไปพยายามเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไป นั่งเฉยๆให้หลับมีใครอยู่วัดที่นั่งเก้าอี้ส่งกันบ้านไหมที่พราว า, าอยู่ถูกแล้วลนะ่ะกลาวธรรสการ์ครับหลวงพ่อครับคื อ, อปกติเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็มีโมหะเนี่ยครับมาก ก็เลยภาวนาเรื่อการใช้ปริกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้ว่าคือขณะนี้ไม่ทราบว่ามีมีสิ่งอะไรที่จะต้องแนะนําเพิ่มเติ ม, ตมสําหรับการปฏิบัติปฏิบัติถูกแล้วนะครับก็ทําทไปสม่ํำเสมอไปจิตมันจะค่อยๆมีพลังมากขึ้นมากขึ้นตอนเนี้จิตมันเริ่มมีพลังแล้วดูออกไหมมันจะรู้สึกได้โดยที่ไม่ได้เจตนารู้สึกครับ ฝึกไปเรื่อยๆจิตมีพลังมากพอเลก็จะพัฒนาตัวมันเองไม่มีใครทำจิตให้มารู้มากผลได้หรอกจิตเป็นเองขอบคุณขอบคุณครับฝึกไปนะฝึกดีใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อนู่นอยู่ท้ายห้อง ยกมือไว้เขาไม่รู้จักเราเดี๋ยวส่งไปที่อื่นครับนมัสกมกั่นหลวงพ่อคะ่ะหนูเป็นคนฟุ้งซ่านมากจึงใช้บริกา ร, รพุโทโธแต่รู้สึกว่ามันเพ่งแล้วก็เวลาปวดหัวหนูปวดหัวบ่อยมันจะท่องพุโทโธไม่ได้จึงเปลี่ยนมาเป็นดูกายหายใจมันดีขึ้นแต่มันไม่รู้สึกตัวระหว่างวันจึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูควรจะใช้กรรมฐานใดดีคะกรรมฐานอะไรที่ทําให้สติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละ กะเปันฐานอะไรที่สติหายไ ป, ห, ยไปหลงยาวๆไม่เอานะดูตัวเองพุดโธไปพูดโธไม่เคยทำให้ใครปวดหัวหรอกแต่ความโลภอยากจะปฏิบัติให้ดีทำให้เราปวดหัวถ้า mm hmm. เราพูดโธไปด้วยใจไม่โลภมันจะไม่ปวดหัวหรอกขอคุณค่ะมันเป็นหลักเลยนะคนอื่นก็ฟังไว้ กรรมฐานใดที่ทำแล้วสติดีก็เอานั่นแหละสมาธิถูกต้องสติดีสมาธิถูกต้องเอานะั้นกรรมฐานอะไรมีทำแล้ ว, ว่าสงบมีแต่ความสุขอะไรเผลอเลอเพลิลล น, ล น, ลนไม่เอาใช้ไม่ได้นู่นอยู่ท่าหลังไปอีก กับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติได้ถูกต้องไหมแล้วตรงกับจริตของลูกหรือเปล่าค่ะอืมแล้วลูกหมาป่าวันเนี้ยดีที่ภาวนานะทำถูกแล้วล่ะทำบ่อยๆหลวงพ่อแซวเล่นอ่ะนะอ่าได้ไม่ตื่นเต้นหรือเลยตื่นเต้นมากกว่าเก่า รู้สึกตัวไปรู้เนื้อรู้ตัวไปนะเห็นกายเห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนรู้คนดูสบายๆฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะฝึกอีกทำไปแล้วบางครั้งเวลาเหมือนกับตัวตัวร้อนๆนะคะเวลาแบบตั้งใจมากแล้วตัวมันจะร้อนๆนี่นี่แหละไฟคือโลภะ เคยได้ยินไหมราคักขีนาไฟคือราคะโทสักขีนาไฟคือโทสะโมหักทินาไฟคือโมหะเวลากิเลสเกิดแล้วมันจะร้อนๆอย่างนั้นแหละมีหลายแบบนะร้อนๆนะอย่างหนาวเรากําหนดจิตลงไปบางทีก็หุ่นเห็นมาถ้ากาหนดแล้วยังไม่อุ่นเราก็กําหนดไฟะก็อุ่นได้อีกมันร้อนๆมีหลายแบบ แต่ถ้าร้อนๆภาวนาไปไม่เห็นเป็นไรเลยร้อนก็ร้อนดูไปที่ภาวนาอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกมันร้อนก็รู้ว่าร้อนตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะปกติฟังหลวงพ่อจากในยูท b e ค่ะก็มีความรู้สึกว่า คิดเอาเองว่าตัวเองอะ่ะชอบดูจิตชอบดูว่าจิตมันไปคิดอะไรแต่ว่าค่ะตอนที่ดูจิตอ่ะหนูรู้สึกว่าหนูดูได้ไม่นานคือดูได้ไม่ถึงห้านาทีก็จะรู้สึกเหนื่อยคือบางทีเรามันคิดอะไรหลายอย่างเราก็จะรู้สึกเหนื่อยหนูก็เลยคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าเราสมาธิไม่พอสมาธิเราไม่พอคเวลาสมาธิไม่พอไปดูจิตแปบ๊บเดียวก็หมดแรงแล้วค่ะ ทีนี้หนูก็ลองพุทโธแต่ว่าพุทโธกับหนูไม่ถูกกันอย่างแรงอะะไรนพุทโธค่ะก็ลองนั่งสมาธิคือคือหนูไม่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบการนั่งสมาธิแต่ว่าหนูอยากดูจิตแต่หนูไม่มีแรงดูจิตใช่ไหมคะหนูก็ค่ะหนูก็ลองพุทโธแต่ว่าพุทโธกับหนูเนี่ยคือหนูจะรู้สึกแน่นมากๆหนูก็ลองเปลี่ยนอ้าวถ้าถ้าไม่พุทโธแต่ดูการหายใจ มันก็ยังแน่นๆอยู่ค่ะทีนี้นมันไม่ได้เกิดจากพุทโธมัไม่ได้เกิดจากหายใจมันเกิดจากโลบในที่แน่นนนั่นคะทีนี้ก็ที่หนูฟังหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใช่ไหมคะ น, น, นสำหรับสมาธิทําสมถานะคค่ะค่ะะถ้ามีสติรู้ทันสภาวะนั้นได้สมาธิที่ใช้ทํำวิปัสสนาหนูก็เลย ลองว่าเรามีความสุขกับการทําอะไรหนูก็เรามีความสุขในการแกล้งด้วแกล้งมีความสุขอ่ะ <c oughs> นะืมค่ะแกล้งมีความสุขมันไม่สงบหรอกคือหนูหนูลองฟังเพลงเรารู้สึกฟังเพลงแล้วเรามีความสุขเราระหว่างฟังเพลงเราก็คอยดูไปด้วยคือคือ ฟังเพลงของหนูมันเหมือนพุโทโธอะค่ะถ้าเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้เราหลุดจากเพลงไปแต่หนูไม่รู้ว่ามันถูกไหมเลยจะขอแนวทางหลวงพ่อค่ะว่าจะไปต่ อ, อยังไงดีเพราะว่าคือคือเรารู้สึกว่ามันวนตอนนี้มันวนไปใช่ <วน S 1> มันว น, <ะ S 1> นมันไม่เด็ดเดี่ยวนะมันลองผิดลองถูกไปเรื่อยให้มันเด็ดเดี่ยวไปเลยเอาอะไรก็เอาจะพุโทโธก็พุโทโธอย่าหายใจก็าหายใจอะไรก็ได้ อ, อย่าคิดเยอะอย่าคนา้นคว้าอย่าดิ้นรนมาก นี่เราอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้สมาธิแม้แต่ไปด้วยคาว่าอยากใจยิ่งดิน้นใหญ่ทุกคราวที่อยากใจก็ยิ่งดิน้นนั่นให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ทําที่มันแน่นเพราะว่าเราโลภ น, นี่ถ้าเรารู้ทันว่าแน่นเพราะโลภล้วก็สไปล้วก็หายใจไปพุโทโธไปสบายๆมันสบายของมันเองไม่ได้ไปแกล้งทําให้สบายนะ ของคุณเนะี่ยบางทีแกล้งทำให้สบายด้วยซ้ําไปนึกออกไหมแกล้งทำจิตให้มันสบายนะแล้วค่อยภาวนาอย่าไปแกล้งทำมันเป็นไงก็รู้ไปลองพูดโทสิเนะมื่อกี้ยาบพูดรู้ไหมนะหัตัวอย่างเนี้ย ค, ความหยาบผุดขึ้นมาเองแล้วก็มีสติรู้ไปลองหายใจเข้าพุดให้เใจออกโทให้หลวงพ่อดูสิ กิจแล้วล่ะรู้สึกไหมเราไปดัดแปลงจิตเราหนูรู้สึกว่ามันไปควบคุมการหายใจจากปกตินั่นแหละมันมันเริ่มตั้งแต่ดัดแปลงที่จิตถัดจากนั้นก็ดัดแปลงกายดัดแปลงการหาย ใ, ใจเกิดจากโลบทั้งหมดและ่ ะ, นะหนูควรจะทํายังไงให้มันเลิกดัดแปลงดีทำอย่างนี้แหละแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปไม่ต้องทิ่นินรนหาสิ่งที่ถูกนะไม่งั้นจิตจะจับจด เดี๋ยวก็จะเอาอันโน้ตเนีะดีไม่ดีเอาอันใหม่หรือหาอันหมาอีกอไเงี้ยไปเรื่อยๆไม่มีวันได้สมาธิสักทีเด็ดเดียวไนลงไปเลยไม่ตายหรอกนะค่ะคือคือหนูยังยังไม่เข้าใจว่าสภาวะของการที่จิตถึงฐานอ่ะมันมันเป็นยังไงหนูต้องรู้จักจิตที่ไม่ถึงฐานก่อนค่ะจิตที่ไม่ถึงฐานคือจิตที่ไหลไปไหลามานี่เคยเห็นไหม ทุกครั้งที่เห็นจิตไหลนั่นแหละจิตจะเข้าฐานแต่เข้าแวบเดียวเลาอยังดูไม่ทันก็ช่างมันหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อี ก, อกในที่สุดก็แกรู้ตัวจิตส่งตัวอยู่กับฐานได้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆแล้วไม่เข้าฐานเองเห็นไหมว่าเราดิ้นรนมากอยากให้จิตสงบอยากให้จิตเข้าฐานอยากโน้อนอยากนี้ก็ดิ้นไปเรื่อยๆอย่าไปหลงกลกิเลสให้มันเด็นเดียวไปเลย หายใจเข้าพูดออกโทธไปตายก็ตาย mm hmm. ถือว่าสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าเลยแล้วสังเกตไปทำไมแน่นเน่นเพราะโลภนะเพราะอยากดีอยากปฏิบัติอยากสุขอยากสงบถ้ารู้ทัาใจที่อยากความอยากดับาหายใจไปตามธรรมดาไม่เหนื่อยแล้วคราวนี้งั mm hmm. นะนะฝึกกันเดียวนี้แหละให้มันเด็ดเดียวลงไปเลย mm hmm. เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้อะไร มีอยู่ช่วงหนึ่งมันไม่เห็นได้กับหลวงพ่ออยู่เรื่องหนึ่งแล้วจิตใจเกิดการดื้อต่อคําสอนหลวงพ่อครับอืมแล้วไงอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วครับมันก็แยกแยะว่าเธอมันก็ต้องแยกแยเป็นเรื่องๆไปนะครับก็ภายภาวนาครับช่วงนี้กิเลสมันก็หลอกเรานะครับแล้วไงช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้จิตใจทุกเรื่องห่างงาจนกระทั่งชีพจังหวัดแทบไม่มีเครื่องอะไรนะ ทุกเรื่องหา ง, งานครับอ๋อก็น่าทุกหรอกช่วงนี้คนตกงานเยอะหาไปนะมีหน้าที่หา ง, งานก็หาไปครับในรูปแบบทาแล้วบริกรรมพุทธโธแล้วมันก็ยังฟุ้งซ่านมากๆอยู่ครับก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะครับบริกรรมไปฟุ้งซ่านก็รู้บริกรรมไปสงบก็รู้ บริการเพื่อจะรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไม่ใช่บริการเอาดีอะไรหรอกไปทำเอาครับก็โดยสรุปคือหลวงพ่อเห็นว่าผมเป็นอย่างไรแล้วควรปรับปรุงอย่างไรต่อครับโหน้ามาดูซิแต่งจีนอยู่รู้ไหมยังรู้ไม่ทันครับเราหลุงพ่อบอกเรารู้ไหมมันก็แต่งให้มันนิ่งๆเสื้อเืซือซ่ อ, อ ๆ, ๆอยู่เฉยๆนั่นแหละคือแต่งมัน ปล่ยให้มันทำงานให้มันเป็นอิสระภาวนานะดีขึ้นนะแต่ความโลภมันยังนำไปก็ให้ทำอย่างที่เคยทำอยู่ใช่ไหมครับเออเรารู้ทันจิตใจตัวเองไปจิตโลภพอรูนะ้แล้วก็เจริญเมตตาไว้ครับ เ, ออเวลาจะไปหางานเจริญเมตตาไว้ให้ดีๆเดี๋ยวเราก็ได้งานแลเจริญความหุดหงิดไปใครก็จะรับ เหมือนอย่างบางคนนะจะมาสมัครบวชเนี่ยคล้ายๆมาสมัครทํางานเหมือนกันนะที่บริษัทสวนสันติธรรมมาสมัครบวชนะพระที่เป็นคนรับสมัครนเห็นแล้วกลัวเห็นไหมสอบตกตั้งแต่เริ่มแล้วคนรับสมัครกลัวยังไม่ทันถึงหลวงพ่อเลยนะบางคนบอกเลยเฉลยเลยก็ได้คนที่สมัครแล้ว พระเขาไม่สกีนให้ผ่านนะพวกเซลล์จัดพวกชอบคิดคิดลูกเดียวเลยแนละ้วเซลล์จัดพวกนี้ภาวนายากเขาชี้เจต ด, ดูแลอว่าไปเอาคนจีนเหรอเขาคือส่วนใหญ่ทำภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันดู เวทนาความเปลี่ยนแปลนคือแต่เขาไม่มีไม่มีกรรมฐานอะไรตายตัวบางทีไปดูลมหายใจหรือว่าไปดูท่องปริกรรมเขาอยากรู้ว่าเขาทําถูกต้องหรือเปล่าอยากจะขอการบ้านจากหลวงพ่อครับเวลาเจริญสติในชีวิตจริงๆนะกรรมฐานเราอยู่ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใชกระทบไปแล้วจิตใจเราเปลี่ยนเรารู้ทัน ในมีเครื่องอยู่อยู่ที่จิตเวลาทำในรูปแบบถนัดอะไรก็เอาันนั้นถนัดหายใจก็เอาหายใจถนัดพุดโทโธก็เอาพุโทโธอย่าเปลี่ยนบ่อยถ้าเปลี่ยนบ่อย ใ, ใจมันจะฟุง้งที่ทำไปแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆจับหลักไม่ได้ย่เวลาอยู่ในชีวิตประจำวันอนะ เราเห็นความรู้สึกนึกคิดอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมส่วนเวลาเราแต่ทาสมาธิทํารูปแบบเนี่ยให้ใจมันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยจะพุโทโธก็พุโทโธหรือหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ทำํำสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่ใช่ทําเพื่อสงบทําไปัค่แหละให้ใจมีเครื่องอยู่อย่างใจเราอยู่กับพุโทโธจนชินเนี่ พอมันขาดสติมันก็ทิ้งพุโทโธไปที่อื่นเราก็จะได้รู้ได้เร็วๆ ว, ว, ว่ามันหลงไปแล้วมันฟุ้งซ่านไปแล้วบังคับจิตมากไปขนาดนี้บังคับจิตเยอะไปจิตมันจะตึงๆแน่นๆไปนิดนึงพอจะจูนให้เท่ากับเรานะแล้วดูเอาเองดูออกยังจิตเราตอนนี้เป็นอย่างนี้ สงสัยนะนะเนี่ยแล้วรู้ไปอย่างนี้นะรู้ทันตัวเองไปงงก็รู้ว่างงนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปอย่าบังคับจิตให้นิ่งนะตรงนี้ยังติดการบังคับอยู่นะ บ, บังคับ แอบไปคิดแล้วเห็นไหมั้นเราทําสมาธินะั้นก็คือทําใจสบายๆนะอย่าไปแกล้งแต่งใจให้แข็ ง, ขงๆซึมๆทื่อๆหนักๆใช้ใจปกตินี่แหละทำสมาธิไปเอย่างนันสงบง่ายถ้าเราใช้ใจเครียดๆไปทําสมาธิจะไม่มีวันสงบเลยเพราะความเครียดไม่ทําให้เกิดสมาธิหรอกทำไปสบายๆ แต่ไม่ใช่แกล้งสบายบางคนได้ยินบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาี่แกล้งทำเป็นมีความสุขนะทำเหมือนแมวเจอเจ้าของอะไรย่าเงี้ยเห็นไใช้จิตปกะปะติอย่งตอนนี้จิตคลายกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมมันเริ่มเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนไหวอย่างนี้ดีนะอย่างนี้เฉยๆวยงี้ไม่ดี ให้มันเคลื่อนแล้วเรามีสติคอยรู้ไปถึงจะดีอย่านั้นถึงจะเดินปัญญาได้จริงแต่ถ้าจะทําสมาธิทําความสงบนะตั้งใจเวลาอยู่กับพุโทโธไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างตั้งใจไว้อย่างนี้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้แต่จําไว้เลยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเหมือนเวลาจะนอนนะนะนอนไม่หลับอะท่องคาถาเลยหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่าง ถ้าวางใจถูกนะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างนะัหลับเลยแต่ตอนทำสมาธิอย่าใช้กรรมฐานตัวนี้นะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างไปเลยคนนี้ก็ใช้ได้นะคนจีนคนนี้ที่เขาฝึกเขาใช้ได้อยู่ไปฝึกต่อไปแต่ว่าอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆนี่อยู่ข้างหน้านี่ มาจากไหนล่ะอืแล้วพวาพนมเนี่ยแล้วความประทมก็ลาดบุรีปัจจุบันอยู่ที่ราชบุรีค่ะเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับหลานค่ะกล่าวธรรมสการ์พ่อเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะก็อยากทราบว่าปัจจุบันที่ปฏิบัติตาม y o u ูทูบที่ได้ฟังไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมเจ้าค่ะใช้ได้ รู้สึกไหมว่าจิตเราเดี๋ยวนี้กันเมื่อก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนเจ้าค่ะรู้สึกไหมจิตเราแต่ละวันไม่เหมือนกันเจ้าค่ะรู้สึกไหมเช้าสายบ่ายเย็นในวันเดียวกันจิตก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเจ้าค่ะนั่นแหละดูอย่างนั้นแหละจิตเข้าฐานไหมเจ้าค่ะเข้าแต่ตอนนี้บังคับอยู่นะเจ้าค่ะดูออกไหมมันบังคับอยู่ค่ะถ้าทํายังไงจึงจะรู้ว่าเราไม่ได้บังคับเจ้าค่ะถ้าบังคับเมื่อไหร่แน่นเมื่อนั้น อึดอัดเรตื่นเต้นตื่นเต้ตน เ, ตเป็นเรื่องปกติไม่อยากตื่นเต้นอันนี้เราจะเข้าไปบังคับมันมีความอยากจะไม่ตื่นเต้นก็เลยทำตามความอยากเาไปบังคับจิตตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไม่ว่ามันาค่กโยมภาวนาได้ดีนะนจ้าดูยูทูปไปแล้วก็สังเกตจิตตัวเองไปแล้ว ไม่ทราบว่าคั่นแยกหรือยัง แ, แ, แพราะเพราะครั้งหนึง่งเคยตอนนั้นยังไม่ได้ฟังหลวงพ่อค่ะเคยนั่งสมาธิแล้วเหมือนส่งกระจกเห็นหน้าตัวเอง <c ười> แล้วก็พอดูตัวเองไปสักประเดี๋ยวนึงก็ผิวหนังละลายเหลือแต่หัวกะโหลก <c ười> แล้วพอดูหัวกะโหลกหัวกะโหลกละลายแต่มีแสงเหมือนดาว <c ười> <c ười> ออกจาก จุดหนึ่งของใบหน้าแล้วก็ลอยขึ้นไปแล้ทุกอย่างก็ไม่มีฉะนักลายเป็นนิมิตไปค่ะกลายเป็นนิมิตฉนะนั้นเรานั่งภาวนาไปนะถ้าเราเคยเห็นแล้วร่างกายมันสลายได้เราจะรู้สึกร่างกายกับจิตนี่คละอนกันรู้สึกไหมเจ้าค่ะ เ, ออเราเคยภาวนาจนร่างกายหายไปหายทั้งตัวหายบางส่วนอนะไรก็มันจะรู้สึกว่ากายกับจิตโคนละอันขาดมันแยกแล้วนเะจ้าค่ะ ดีไปฝึกอีกถ้าหากการที่ฝึกมาแล้วถ้าดีแล้วข อ, อน้อมถวายบุญกุศลนี้แด่หลงพ่ออานุโมทนานะสาธุอาเชิญกลับบ้าน